โครงการเรื่อง 24 ตุลาคม 2548 ที่พุทธสถานสันติ อธิษฐานก็คือการตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้แปลว่า ดีจะช่วยเราเราทำกรรมชั่วชั่วก็ให้ผลแก่เราเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงต้องอธิษฐานให้ถูกต้องเราทํากรรมชั่ว ตั้งใจว่าเราจะทําสิ่งนี้เราจะ เรื่องการเรียนเรื่องของนักเรียนเนี่ยมันจะ ตั้งแต่รุ inh 11.60 เหvt รุ inh er invent fit 70 ก็ 70, 60, 70 50 เป็นเด็กก็ตามแล้วเรายังไม่ได้ เออแล้วก็ตายกันไปเยอะแล้วพอสงครามสําหรับ เอ่อที่จะดำเนินพาดำเนิน เห็นส่วนผู้อื่นที่ก็เป็นปัญญาชนที่อาตมามีสังเกต เห็นว่าดีว่าถึง 30 เหอืม เป็นของดีเป็นของจริงๆนะคํา ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรที่ดีไหนเพราะพวกเรายังไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าขณะนี้เป็นมีกลุ่มสังคมมีกลุ่มชนไร พยายามพัฒนาพยายามหาๆกับ เป็นกลุ่มหมูเขาเรียกอะไรแล้วตอนนี้ประเทศไทยนี่มีโอ้ มีผู้รู้ในไทยเราๆ พออาตมาก็พูดซ้ําพูดซากจบมา เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าใช้เวลาเป็นล้านๆ มันมนุษย์ชาติวิชาที่หรือ พุทธ 2,000 ปี 2,000 ปี 1,000 ปีมัน 800 กว่าปีเท่านั้น พวกไทยนี่คือพวกอพยพมาจากจีนหลาย ไล่ถิ่นเดิมกันไปเหมือนพวกแล้วอังกฤษ เป็นแคว้นเป็นแคว้นเดียวปีนะก็ศาสนานี้ก็อยู่ที่นี่